สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่30สุภาษิตบทที่30ิข้อ15บข้อ16ครับโปรดฟังพจนะของพระเจ้าปริงมีลูกตัวเมียสองตัวพวกมันร้องว่าให้ฉันให้ฉันมีสมสิ่งที่ไม่เคยอิ่มสสิ่งไม่เคยพูดว่าพอแล้วคือแดนคนตาย คันของหญิงหมันแผ่นดินโลกที่ไม่อิ่มนม้ำและไฟที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วพี่น้องครับพระว จ, จนะของพระเจ้าในตอนนี้เกี่ยวข้องกับความโลภกับความโลภนั้นเป็นบาปโบราณเช่นเดียวกันครับความโลภหรือที่เรียกว่าลัทปัญหาหรือดิสคอนเทนต์ก็คือความไม่พอใจพี่น้องครับพระว จ, จนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ ได้เปรียบเทียบให้เราเห็นภาพสัตว์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเป็นธรรมชาติของมันก็คือว่าปริงหรือหนอนที่ดูดเลือดครับปริงหรือหนอนที่ดูดเลือดก็สามารถสอนให้เรามีปรัญญาได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปริงนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่เคยพอใจหรือไม่เคยอิ่มมันต้องการเลือดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในพระเจนะของพระเจ้าตอนนี้เราพบว่า เป็นปลิงที่เรียกว่าเป็นฮอ h l ิชฮอสลก็คือปลิงที่เกาะม้าครับบริเวณที่มันชอบเกาะขณะที่ม้ากินน้ำก็คือลิ้นและโพรงจมูกของมันพี่น้องเราสังเกตนะครับว่าเวลาที่ปลิงดูดเลือดนะครับมันเป็นหนอนดูดเลือดขนาดใหญ่ปกติแล้วนเนี่ย e อส e ิชเนี่ยเป็นปลิงที่พบบ่อยและพบในปตะวันออกกลาง เวลาที่จมูกของม้ามันจมน้ํานะครับเวลาที่น้ํามากินน้ําอยู่นะมันก็จะเกาะครับปลิงพวกนี้จะเกาะมันสามารถที่จะเก็บเลือดของเหยื่อได้นะครับถึงปริมาณ5เท่าตัวเลยทีเดียวและเมื่อมันอิ่มแปรแล้วมันก็จะหลุดออกมาพี่น้องครับชีวิตของปลิงดูดเลือดม้านะครับก็อากูก็นํามาสอน พระกัมพีไม่ได้สอนวิชาสัตวแพทย์นะครับแต่ว่าจากชีวิตธรรมชาติของปลิงพวกนี้ทำให้เราเห็นถึงสภาพที่ไม่เคยพอใจตลอดเวลามันต้องการมากขึ้นมันต้องการเลือดมากขึ้นมันต้องการเหยื่อมากขึ้นและไม่เคยมีความพึงพอใจอากูนั้นเริ่มต้นบอกว่ามีปลิงแล้วก็มีลูกตัวเมีย2ตัวความหมายคําว่าลูกตัวเมีย หรือความหมายว่าอะไรคือลูกตัวเมียสองตัวก็คือมีความหมายว่าลูกตัวเมียนั้นมันก็เหมือนกับแม่มันครับก็คือเป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าตัวละครที่พระกัมพีแสดงโดยอ้างอิงไปยังลูกๆวิธีนี้เป็นวิธีที่ในพระกัมพีกำลังพูดถึงว่าแม่ลูกเหมือนกันครับเหมือนกับที่คนไทยบอกว่าดูช้าง ให้ดูหางดูนางให้ดูแม่นั่นหมายความว่ามีแม่ย่งไงลูกก็เป็นอย่างนั้นพระคัมภีร์กําลังบอกว่าปริงมีลูกตัวเมียสตั ว, ตวก็หมายความว่าพวกนี้นะครับคือประเภทเดียวกันแต่มันขยายตัวเท่า น, นั้นเองครับพี่น้องครับเมื่อสุภาษิตบทนี้ทําให้เรารู้ถึงการที่เราจะต้องมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและเรียนรู้ว่าเราควรจะต้อง มีความสุขมีความพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่พี่น้องครับความพึงพอใจนั้นเป็นทางเลือกและในเวลาเดียวกันก็เป็นคําสั่งครับถ้าเราดูใน1ทิโมธีบทที่6กข้อที่6กล่าวว่าอันที่จริงการอยู่ในทางของพระเจ้าพร้อมกับมีความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวง พักกัมพีบอกว่า there is great gain in godliness with contentment ก็คือว่าเราจะต้องมีความชอบธรรมของพระเจ้าบวกกับความพึงพอใจนั่นเลยครับคือประโยชน์ใหญ่หลวงที่เราควรพอใจได้แล้วพี่น้องครับโดยบริบทของพระกัมพีตอนนี้นะครับหลายหละคนเนี่ยคิดว่าทางของพระเจ้านั้นเป็นช่องทางที่จะสแสวงหาผลประโยชน์หรือกำไร เละจะพบว่าในสมัยนี้นั้นก็มักจะมีการใช้าศาสนาเป็นเครื่องมือทำอาหากินาศาสนาเป็นเครื่องมือที่จะเพิ่มพูนบารมีาศาสนาเป็นช่องทางที่ตัวเองนั้นจะได้รับเกียรติเป็นช่องทางที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนพี่น้องครับเราพบว่าความพึงพอใจนั้นเป็นสมบัติของคนที่ไม่โลภพระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับในฮีบรูบทที่13บฮีบรูบทที่13ข้อที่5 ได้กล่าวชัดเจนนะครับว่าท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยพี่น้องครับ keep your life free from the love of money and be content with what you have for he has said i will never leave you nor forsake you พี่น้องครับพระเจ้าจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลยนี่คือข่าวสารจากพระเจ้าในเช้าวันนี้พี่น้องครับผมอยากจะเน้นและให้กำลังใจพวกเราว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้อยู่ด้วยเงินเราจะต้องพอใจในเรื่องของเงินทองไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจในด้านอื่นๆเช่นเดียวกันด้วยหลายคนไม่พึงพอใจในสิ่งที่พระเจ้าให้มาเช่นความสูงของเรา หรือหลายคนก็ไม่พึงพอใจในสิ่งของที่อยู่ในตู้เย็นของเรารถของเราประเทศที่เราเกิดหรือแม้กระทั่งหน้าตาของเราคู่สมรสของเราพี่น้องครับเราจะต้องเลือกที่จะพึงพอใจในสิ่งที่พระเจ้าให้มาและนี่เป็นคำสั่งของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับความพึงพอใจหรือ contentment นะครับเป็นความคิดที่เราเลือกได้และ เราสามารถทำให้ความคิดนี้เป็นอุปนิสัยส่วนตัวของเราก็ได้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะทำมันให้เป็นนิสัยครับฝังเข้าไปอยู่ในชีวิตของเราเรียนรู้ที่จะ พ, พิจารณาตัวเองนะครับเรียนรู้ที่จะพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สข้อ1 1 1 3ท่านอัครทูตเปาโลนั่นเขียนอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความสับสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่อันนี้คือพบอยู่ในพระธรรมฟลิ ป, ปีบทที่4ี่ข้อสิถึงข้อสินะครับข้อ12ครับท่านเขียนต่อไปว่าข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าเรียนรู้เคล็ดลับในกา ร, รเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยากความอุดมสมบูรณ์ และความขัดสนข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าพเพียงครับนี่คือไม s ซตหรือทัศนคติหรือแนวคิดของท่านอคาตูตเปาโลที่ได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าพียงครับพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนนั้นจะมีความพึงพอใจเรียนแบบท่านอาจารย์เปาโลเพราะว่าท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องความขัดสนไม่ได้บน่นว่าจนแต่เรียนรู้ ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่และรู้ว่าความขาดแคลนนั้นมันมีรสชาติเป็นยังไง ร, รู้ว่าความอุดมสมบูรณ์ความอิ่มท้องมีรสชาติเป็นยังไงในทุกๆ ก, กรณีเรียนรู้เคล็ดลับในกา ร, รเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนครับพี่น้องครับให้เรารู้จักเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกาลังข้าพเจ้า ในความพึงพอใจเหล่านี้นะครับมันเป็นพฤติกรรมที่เรียนรู้ได้ครับและมันสามารถที่จะฝังในชีวิตของเราให้เป็นนิสัยได้เราจะได้รับพระพรครับเราจะได้รับ l บรซิ่งที่มาจากพระเจ้าะที่ความพึงพอใจนั้นมีความโลภเป็นสิ่งตรงข้ามความโลภหรือตัณหานั้นมันเป็นความปรารถนาต้องการมีมากขึ้นเรื่อย เพราะฉะนั้นมันเปรียบสเสมือนกับปริงที่ร้องว่าให้ฉันให้ฉันให้ฉันมันมีสามสิ่งที่ไม่เคยอิ่มและมีสี่สิ่งที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วพี่น้องครับพรุ่งนี้เช้านะครับเราจะพบกันว่าสามสี่สิ่งนั้นเกิด อ, อะไรก็คือแดนคนตายคันของหญิงหมันแผ่นดินโลกที่ไม่อิ่มนม้ำและไฟที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วพบกันวันพรุ่งนี้ต่อนะครับขอพระเจ้าทรงเมตตาพวกเราทั้งหลายทุกคน พี่เราจะปลดธรรมชาติบาปจากอาดัมก็คือความโลภความอยากได้ความอยากมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนไม่เคยพออาเมน